จำได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็กกับรถคันเล็กคันโปรดนั้นสุขใจอยู่บนถนนที่มีในจินตนาการแค่ไขลานและให้วิ่งไปจนวันที่แห็นเพื่อนมีคันใหม่เป็นรถที่ ฉันนะผมร้องผมงองไงจนกว่าพอ่อตามใจมันแค่ทำน้ำตาให้ไหล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 คนนั้นผมรักของผมอยู่มากมายแล้วผมต้องทํายังไงให้เขาทิ้งกันมันต้องใช้น้ำตาแค่ไหนต้องร้องห้ยกี่ครั้งให้เขาและเธอทิงความความรักแล้วเลิกลาให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่าต้องใช้ ที่เคยบอกว่าให้รักใครไปสุดท้ายจะได้เหมือนกันกลับขึ้นมาแต่เอาจริงๆเหมือนมันมีราคาที่บางทีทั้งใจก็ไม่มีความหมายทุ่มเทเท่าไรเธอไม่ยอมคายแล้วผมต้องทำยังไงพอช่วยพอม ใช้สั ก, กี่น้ำตาให้เธอเห็นใจมันต้องใช้น้ำตาทีนไหนให้เขาแัะเธอทิ้งความความรกแล้วเลิกลให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่าต้องใช้สักกี่น้ำตาให้เธอ เธอ